วัดปากน้ำครบหกเดือนพระเจริญก็ยังไม่ได้วิชาธรรมกายจึงเกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายและท้อแท้ที่ตั้งใจว่าจะจำพรรษาอยู่เส้ที่วัดปากน้ำหากว่ายัางเรียนไม่สำเร็จก็เลยมีอันต้องล้มเลิกในที่สุดก็ตัดสินใจว่าจะกลับไปจำพรรษาที่วัดพรมบรุรีออกพรรษาแล้วจึงค่อยมาเรียนใหม่ถึงตอนนั้น จิตใจคงจะปลอดโปร่งแจ่มใสกว่าตอนนี้หลุงพ่อครับพรุ่งนี้ผมจะกลับสิงห์บุรีนะครับพระหนุ่มบอกหลุงพ่อสดขณะทําหน้าที่นวดให้ท่านอ้าวคนไหนเธอว่าจะจําพรรษาอยู่ที่วัดนี้ยังไงละ่ะแล้วทำไมถึงจะกลับ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 เมื่อทำหน้าที่นวดให้ท่านพระหนุ่มมักชวนคุยเรื่องโน้นเรื่องนี้โดยเฉพาะเรื่องมักกลีผลยิ่งสมภารวัดปักน้ำยืนยันว่ามักคลีผลมีจริงก็ยิ่งทำให้พระหนุ่มตั้งใจแน่วแน่ว่าจะต้องด้นดั้นไปพิสูจน์ที่ป่าหิมพม า, านต์ให้จงได้ครับคิดถึงมากคาตอบของลูกศิษย์ ทำให้อาจารย์นิ่งคิดอยู่ชั่วครู่และจึงพูดขึ้นว่าเราก็คงใจอยู่เหมือนกันว่าทำไมเธอถึงยังไม่ได้ทำากรรมทั้งที่เธอก็สำเร็จทานมาแล้วสงสัยจริงๆเชียวผมคงจะไม่มีวาสนาบารมีเหมือนหลวงพ่อกระมังครับไม่มีก็ต้องส้างของอย่างนี้ มันสร้างกันได้ขอให้ตั้งใจจริงเท่านั้นพระพุทธองค์ตรัสสอนไว้ไม่ใช่หรือมโนปุพังขมาธรรมมามโนเศรษฐามโนมยาธรรมะทั้งหลายมีใจนำหน้ามีใจประเสริฐที่สุดสำเร็จแล้วแต่ใจถัดใจสู้สยอย่าง กดเห่ากับสำเร็จไปครึ่งหนึ่งแล้วแม้จะยังไม่ได้ทำภิกษุวัย66พูดให้กำลังใจแต่การทำอะไรก็ตามจะให้สำเร็จได้มันต้องใช้เวลานะครับหลวงพ่อปลูกข้าวก็ต้องรอให้มันออกรวงให้เมล็ดแก่จึงจะเก็บเกี่ยวได้เก็บเกี่ยวเสร็จก็ต้องนำมานวดมาตำมาหุง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 นั่นเป็นข้ออ้างของเธอต่างหากเพราะเธอก็รู้ว่าความจริงมิได้เป็นเช่นนั้นหรือเธอจะเทียงสมภารพูดอย่างรู้เท่าทันพระหนุ่มได้แต่ยิ้มแยแยและแก้ตัวว่าผมคงจะพูดผิดไปขอโอกาสแก้ตัวใหม่นะครับคือผมกำลังจะพูดว่า ผมไม่อยากเป็นอติชาติสิทธ์นะครับทำไมถึงไม่อยากเป็นละ่ะอติชาติบุตรก็ดีอติชาติสิทธ์ก็ดีหากมีในสังคมใดสังคมนั้นกอดยริญถ้าเธอเป็นอติชาติสิทธ์ได้เราจะยินดีมากแต่เอาเธอดูท่าทางเธอเบื่อหน่ายยังไงชอบกลน เราจะไม่เศร้าซีแล้วอาจจะยังไม่ถึงเวลาของเธอก็อได้หลุงพ่อสดพูดแบบไม่ได้ยึดติดถือมัน่นพระหนุ่มนิง่งแล้วก็เหมือนนึกอะไรขึ้นได้จึงว่าเป็นไปได้ไหมครับหลุงพ่อว่าผมกำลังอยู่ในวัยเบญจเพศเลยต้องมีอันเป็นไปเช่นนี้เรียนอะไรก็ไม่สําเร็จจิตใจว้าวุ่นสับสน นี่ถ้าเป็นคขรหัดอาจมีเรื่มมีราวกับเขาถึงกับข่ารันฟันแทงกันก็ได้โบราณเขาว่าคนอายุเบญจเพศ ต, ต้องระวังตัวดีไม่ดีอาจตายได้เพราะว่าตกที่นั่งพระสุขเขา้าพระเสาแทกเราไม่เชื่อเรื่องอย่างนี้หรอกถ้าเธอเป็นสิทธิ์พระตถาคตจริง ต้องไม่เอาชีวิตไปฝากไว้กับสิ่งภายนอกพระพุทธองค์ไม่เคยตรัสสอนว่าดวงอาทิตย์หรือดวงดาวต่างๆมีอิทธิพลต่อชีวิตมนุษย์กรรมตั้งหากเล่าที่บันดาลชีวิตสัตว์โลกให้เป็นไปกรรมก็คือการกระทาของตัวมนุษย์เองพูดง่ายๆก็คือ มนุษย์เป็นผู้ลิขิตตัวเองไม่ใช่ดวงดาวมาลิขิตเรื่องนี้พระพุทธองค์ตรัสไว้ชัดเจนเธอคงจำได้ยะทิสังวะปะเตพีชังตาทิสังละพระเตพันลังกัญยาณกาลีกัลยาณาาังปาปกาลีจะปาปกัง บุคคลวานพืชเช่นใดย่อมได้รับผลเช่นนั้นทำดีย่อมได้ดีทำชั่วย่อมได้ชั่วสมภารวัดปากน้ำเทศนาปโปรดลูกศิษย์ก้นกุฏิขอบพระคุณหลวงพ่อมากครับที่ได้เมตตาอบรมสั่งสอนผมถึงจะไม่ได้ธรรมกาย แต่เวลาหกเดือนของการอยู่ที่นี่ทำให้ผมได้อะไรอะไรหลายอย่างจากหลวงพ่อที่ผมจะนำไปเป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติผมตั้งปณิธานไว้ว่าจะทำประโยชน์ให้แก่ประชาชนจะไม่ทำให้สมณะเพศของผมต้องเป็นมันดีเราขออนุโมทนา เป็นนักบวชก็ต้องมีส ม, มณสัญญากำกับอยู่ตลอดเวลาคนเขาจะได้ไม่ติดถินเอาว่ามาบวชก็เสียผ้าเหลืองสึกไปก็เปลืองผ้าลายแต่ผมคงไม่สึกหรอกครับลงพ่อเพราะไหนๆก็ได้ตัดสินใจแล้วว่าจะบวชไปจนตลอดชีวิตพระหนุ่มรีบบอก ครั้นได้เวลาพักผ่อนของสมภารท่านจึงทวงถามขึ้นว่าลุงพ่อบอกว่าจะให้พระผงผมสองกำมือเอาไปฝากคนที่เขารู้จักหลุงพ่อผมจะขอเดี๋ยวนี้เลยได้ม็ดครับได้สินั่นไงในบาทนั่นหยิบเอาไปสองกำพระหนุ่มเอามือล้วงลงไปในบาทหยิบพระขึ้นมาสองกำ บังเอิญท่านเป็นคนมือใหญ่แถมนิ้วก็ยาวพระสองกำรรของท่านจึงมีปริมาณเท่ากับสี่กำมือของคนปกติหลวงพ่อสดอดพูดไม่ได้ว่าเราพลาดไปหน่อยไม่น่าพลาดเลยมีอะไรหรือครับพระเจริญถามขอเราน่าจะบอกเธอว่าให้พระ สองกำมือนั้นหมายถึงกำมือเราซึ่งเท่ากับหนึ่งกำมือของเธอถ้าเช่นนั้นหลวงพ่อพูดใหม่ก็ได้ครับว่าให้สี่กำมือของหลวงพ่อซึ่งเท่ากับสองกำมือของผมคนเป็นสิทธพูดแบบไม่ยอมเสียผลประโยชน์เอาเธอเอาเธอพูดไปกอเท่านั้น กลับไปห้องของเธอได้แล้วเราจะได้พักผ่อนพระเจริญกราบสมภารสามครั้งและจึงเดินกลับห้องของท่านผ่านห้องเนนป้องเห็นกำลังนั่งภาวนาสัมมาอารหังอยู่ก็นึกสนุกจึงไปหาเทียนมาจุดนำไปลนคางเนนเป็นการแก้แค้น ท่านเอนดูเนนป้องเหมือนน้องชายพรุ่งนี้ก็จะจากกันแล้วต้องฝากรักไว้สักหน่อยพระหนุ่มลนอยู่นานเนนก็ไม่ยอมลืมตาจึงเลื่อนเทียนสูงขึ้นจนเปลวเทียนเลียคางเนนกระนั้นคนที่นั่งขัดสมาธิอยู่ตรงหน้าก็ยังไม่ยอมลืมตาเสียงตะโกนออกมาจากห้องข้างๆว่า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 รุ่นหนึ่งของวัดปากน้ําจํานวนสองกำมือนั่นแหละเก็บของเสร็จท่านจึงทําความสะอาดห้องเพื่อคนต่อไปเข้ามาอยู่จะได้ไม่ด่าตามหลังว่าทําห้องสกปรกเลอะเทอะทิ้งไว้ให้เขาต้องมาเป็นภาระทําความสะอาดห้องเสร็จจึงส่งน้ําตั้งใจว่าวันนี้จะนั่งภาวนาเป็นการส่งท้ายเพลอ่ อาจจะได้ธรรมกายในวันนี้ก็เป็นได้เมื่อปูอาสนะเรียบร้อยและลงนั่งแล้วก็พอดีกับเนรป้องกำหนดออกจากการภาวนาเนรน้อยรู้สึกแสบๆที่ใต้คางจึงเดินมาหาพระเจริญพูดว่าหลวงพี่เดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งนั่งช่วยดูค้างให้ผมหน่อยทำไมมันแสบๆร้อนๆชอบกลน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 แต่เห็นนั่งไม่รู้สึกรู้สาเลยยกเทียนสูงขึ้นสูงขึ้นจนไฟลามทางเนนนั่นแหละลุงพี่ขอโทษ ด, ด้วยนะนึกว่าเจ้ากันไปท่านใช้ศัพท์ภาษาจีนอย่างนั้นเองเหรอหรือผมก็นึกว่าตัวอะไรมันมาต่อยเอาละเป็นอันว่าหายกันว่าแต่ว่าลุงพี่เพิ่งจะเริ่มปฏิบัติหรือ กี่ทุ่มกี่ยามแล้วล่ะเนี่ยคงจะซักสี่ทุ่มกระ ม, มังหลวงพี่เพิ่งนวดให้หลวงพ่อเสร็จเมื่อครู่นี้เองจากนั้นก็มาเก็บข้าวเก็บของพรุ่งนี้หลวงพี่จะกลับไปสิงห์บุรีแล้วนะจะกลับไปจำพรรษาที่วัดพรมบุรีตามเดิมหรือครับแล้วจะกลับมาอีกหรือเปล่าผมคงคิดถึงแย่เลยไม่มีคนคุยด้วย เนนวัยสิบสองพูดจากใจจริงคิดว่าออกพรรษาจะกลับมาเพราะหลุงพี่ยังไม่ได้ธรรมกายเลยเนนคงได้แล้วกระมังถึงได้ไม่รู้สึกร้อนตอนที่หลุงพี่เอาเทียนลนขางยังไม่ได้รองครับผมให้หลุงพี่ได้ก่อนแล้วผมค่อยดาเนินรอยตามอย่าเอาหลุงพี่เป็นตัวอย่างเลย ขอให้ดำเนินรอยตามหลวงพ่อจะดีกว่าหลวงพี่ได้อะไรอะไรจากท่านไปเยอะแยะเลยมีวิชาธรรมกายเท่านั้นที่ยังไม่ได้พระหนุ่มรีบออกตัวหลวงพ่อท่านไปไกลามากแล้วผมคงตามไม่ทันจริงๆนะครับผมรู้สึกทึ่งมากที่ท่านรู้อะไรอะไรได้ราวกับเป็นผู้วิเศษอย่างเมื่อวานนี้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 หลวงพี่ก็ขอรับไว้ด้วยความเต็มใจไหนเล่าเรื่องโยมที่สามีหายต่อสิท่านยังอยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับสตรีผู้นั้นเมื่อตอนบ่ายเขามาหาหลวงพ่อนะสิพาผัวเขามาขอบคุณหลวงพ่อด้วยผัวเขาเล่า ว, ว่าถูกโจรลักพาตัวไปอยู่ต่างจังหวัดจะให้เขาเขียนจดหมายมาเรียกค่าไถ่จากเมียเขาก็ไม่ยอมเขียน โดยอ้างว่าเมียเขาไม่มีเงินมาไถ่ตัวเขาแน่เพราะต้องเลี้ยงลูกตั้งห้าคนถ้าต้องไปหยิบยืมใครมาเขาก็ไม่อยากกลับมาใช้นี่จึงยอมตายดีกว่าจะให้ลูกเมียต้องเดือดร้อนโจนก็กักตัวไว้แล้วก็ใช้ทำงานอย่างกับทาสกินก็อดอดอยากๆยากพออยู่นานไปโจนก็ชักจะเชื่อว่าเขาไม่ยอมให้เมียมาไถาตัวแน่ ก็เกิดสงสารปล่อยตัวมาผมว่าเป็นเพราะหลวงพ่อแผ่เมตตาไปให้มากกว่าหรือหลวงพี่ว่ายังไงเนนป้องถามหลวงพี่ก็ไม่รู้จะว่ายังไงหลวงพ่ออาจเป็นผู้วิเศษจริงๆก็ได้ดูอย่างเรื่องโยมจากบางนาที่หลวงพี่เป็นคนอ่านให้ท่านฟังโยมเข้ามาขอให้ท่านแผ่เมตตาให้ลูกจะไปเรียนเมืองนอก และเขาจะไปส่งทั้งครอบครัวหลุงพ่อท่านบอกรายนี้ช่วยไม่ได้กุศลไม่พอท่านบอกพรุ่งนี้เครื่องบินตกจะพากันตายทั้งครอบครัวก็เป็นอย่างนั้นจริงๆแบบนี้จะเรียกท่านว่าอย่างไรถ้าไม่ใช่ผู้วิเศษจริงไหมจริงครับเนนป้องสนองเงียบกันไปครู่หนึ่งพระเจริญก็ถามขึ้นว่าเนนเคยขอพระท่านไปแจกญาติโยมไหม เคยครับแต่ท่านไม่ให้ท่านบอกว่าคนที่เธอจะไปแจกนะ่ะเขารู้จกักหลวงพ่อสดไหมเขารู้ไม่ว่าหลวงพ่อสอนอย่างไรวัดปากน้ำอยู่ที่ไหนถ้าเขาไม่รู้อย่างนี้แจกไปก็ไม่เกิดประโยชน์เสียของเปล่าๆท่านว่าอย่างนี้ครับงั้นหรือท่านก็มีเหตุผลของท่านนะเอาละนะลวงพี่จะขอนั่งภาวนาบ้างเน้นล่ะ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 ดีแล้วแม้ถ้าตอนหลวงพี่อายุเท่าเนนแล้วทำอย่างเนนคงจะดีมากเสียดายที่ประมาทในชีวิตสร้างกรรมทำเขียนไว้มากไม่รู้ว่าช่วชีวิตนี้จะใช้หนี้กรรมหมดหรือเปล่าไม่อยากเวียนว่ายตายเกิดอีกชีวิตมันทุกข์นะเนนนะเป็นพระเป็นเนนก็ทุกเป็นขรือหัสก็ทุก เป็นอะไรก็ทุกข์ทั้งนั้นลุงพี่พูดปลงๆพรุ่งนี้ลุงพี่จะไปยังไงครับเนนป้องเปลี่ยนเรื่องด้วยไม่อยากให้จิตใจหดหูเศร้าหมองลุงพี่ว่าจะไปขึ้นเรือเมที่ท่าเตียนเรือพงประจักษ์ขามาลุงพี่มาเรือโยงเหม็นขี้ไก่แทบแย่ ต้องนอนดงขี้ไก่อยู่หนึ่งวันกับหนึ่งคืนจึงถึงท่าเตียนพระหนุ่มยังรู้สึกเหมือนว่ากลิ่นของมันวนเวียนอยู่ทแถวๆปลายจมูกถ้าเช่นนั้นผมจะนั่งเป็นเพื่อนหลวงพี่นะครับจะนั่งกันกีนก่ชั่วโมงดีเนนน้อยถามนั่งไปจนถึงสองยามดีไหมพอได้ยินเสียงเคาะกรอบอกเวลา ค่อยออกพระหนุ่มเป็นคนเสนอตอกลงครับแต่ผมไม่ได้ยินหรอกครับเพราะเวลาที่นั่งจิตมันจะดิ่งลึกลงไปไม่รับรู้อะไรทั้งสิน้นก็ลุงพี่เอาเทียนมาลนผมยังไม่รู้เลยเนนป้องเล่าประสบการณ์การปฏิบัติของตนอย่างนั้นหรือแสดงว่า จิตเนนแน่วแน่ถึงขันชานแล้วพระหนุ่งวิจัยท่านไม่บอกว่าตัวท่านเองก็เคยได้ชานสมัยที่อยู่กับหลวงพ่อเดิมแต่เพราะไม่ได้รักษาองค์ชานไว้ชานจึงเสื่อมคงจะเป็นอย่างนั้นกระมังครับเพราะเวลาผมจะนั่งก็จะกำหนดใจว่าจะออกเวลาเท่าไหร่พอถึงเวลาที่กำหนด ก็จะรู้สึกตัวถ้าเช่นนั้นก็ลงมือปฏิบัติกันเถอะจะได้มีเสียเวลาตกลงกันดังนี้แล้วพระหนึ่งองค์กับเนนหนึ่งรูปจึงพากันนั่งภาวนาด้วยการกำหนดสัมมาอรหังอยู่ที่หน้าห้องของตน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 เพราะหวังรวยบางรูปก็นำไปซื้อของกำนันไว้แจกพวกสีกาสาวๆเลยประพฤติผิดพระวินัยกันยกใหญ่ในที่สุดก็ต้องศึกหาลาเพศออกไปมีครอบครัวส่วนพวกที่ไม่ยอมศึกก็ทำให้สมณะเพศต้องมัวหมองทงั้งทางที่ครองผ้าเหลืองเรือเล่นมาถึงตลาดพลู พระเจริญขึ้นจากเรือเดินมาที่ท่ารถเมขาวของบริษัทานเลิศรถเมฆกำลังจะออกท่านจึงรีบขึ้นแต่ไม่สามารถหาที่นั่งได้ด้วยว่าคนนั่งกันเต็มครั้นจะลงไปรอขึ้นคันใหม่ก็เกรงว่าจะไม่ทันเรือเมไม่เป็นไรยืนก็ได้เดี๋ยวคงมีญาติยมที่ใจบุญคะลุกให้นั่งหรอกท่านปลอบใจตัวเอง รถเมออกจากท่าแล่นไปตามถนนซึ่งค่อนข้างขรุขระพระหนุ่มสภายย่ามไว้บนบ่ามือหนึ่งโหนรถเมอีกมือหิ้วลังกระดาษบรรจุเครื่องอัถบริคารพอรถแล่นมาถึงวงเวียนใหญ่คนก็ขึ้นกันจนแน่นรถอย่าว่าแต่จะหาที่นั่งแม้ที่ยืนก็หาแทบไม่ได้เสียงกระเป๋ารถที่อยู่ข้างหน้า ตะโกนบอกผู้โดยสารให้ถอยเข้าไปข้างหลังกระเป๋ารถที่อยู่ข้างหลังก็ตะโกนบอกให้ผู้โดยสารร่นขึ้นไปข้างหน้าจนคนถูกบอกไม่รู้จะปฏิบัติตามอย่างไรถูกพระเจริญรู้สึกเมื่อยจึงเปลี่ยนมือข้างที่หิ้วลังมาหอนรถเมยส่วนมือที่หอนรถเมยอยู่เดิมก็เปลี่ยนมาหิ้วหลังสลับเปลี่ยนอยู่อย่างนี้ ไหนจะระวังตนไม่ให้ไปถูกกับศีกาอีกเล่าพวกคนที่นั่งก็ใจร้ายใจดำจะลุกให้พระสงฆ์องค์เจ้านั่งบ้างก็ไม่ได้ท่านนึกตำหนิผู้โดยสารที่นั่งพวกที่ยืนก็ช่างกระไรจะช่วยเราหิ้วลังบ้างก็ไม่ได้ตำหนิคนนั่งแล้วก็ตำหนิคนยืน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 พระภิกษุที่หิ้วลังมือหนึ่งโหนราวรถเมยอีกมือหนึ่งท่านรู้สึกอึดอัดร้อนและกระหายน้ำขาทั้งสองแข็งเกร็งราวกับท่อนไม้หนึ่งชั่วโมงผ่านไปท่านถึงกับขาสั่นผับผับด้วยเมื่อยซะจนแทบทนไม่ไหวไหนจะกังวลว่าจะไปไม่ทันเรือเมเอีกเล่าช่วงนาทีวิกฤตนั้น ท่านนึกถึงลุงพ่อสดลุงพ่อช่วยลูกด้วยจะทนไม่ไหวแล้วครับพิกษุหนุ่มไม่รู้ที่จะทำอะไรให้ดีไปกว่านั้นจึงยืนกำหนดสัมมาอรหังไปเรื่อยๆสพานปิดหลังจากที่เปิดให้เรือสินค้าขนาดใหญ่แล่นผ่านไปแล้ว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 แสงสว่างสวัยปรากฏขึ้นในมโนนึกและท่านก็เห็นตัวเองเดินอยู่ฝั่งพระนอครถือหลังไว้ด้วยมือขวาแสงสว่างจ้าจับอยู่รอบๆตัวเอ้ น, นั่นตัวเรานี่นะทำไมถึงไปเดินอยู่ที่ฝั่งโน้นได้ท่านสงสัยผู้ชายคนหนึ่งยืนอยู่ข้างๆท่านและท่านก็รู้ด้วยจิตว่า เขาเป็นคนสิงบุรีกำลังจะไปขึ้นเรือเมพงประจักษ์ที่ท่าเตียนเหมือนกับท่านภิกษุวัย25สิบห้ามองร่างของท่านที่มีแสงสว่างสวัยพุ่งออกมาจากกายและบอกตัวเองว่าอ๋อนี่เราสำเร็จธรรมกายแล้วหรือนี่โทเอ้ยมาได้บนรถเมนี่เองท่านนึกอย่างยินดีทันใดนั้น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 พอเห็นเราได้ธรรมกายรีบลุกให้นั่งกันใหญ่เชียวจ้างก็ไม่นั่งเมินซะชาตินึ่งพระหนุ่งถือโอกาสเล่นตัวนานนักหนาแล้วที่ไม่ได้ทำอย่างนี้